ขอความเจริญในธรรมจะมีแต่ท่านผู้พังทั้งหลายแต่รมประโฏิยาในวันนี้กำลังอยู่ในช่วงตอบปัญหาของผู้ถามมาในโอกาสต่างๆก็เป็นการนำเสนอแนวแต่รมประโฏิยาในแนวหนึ่งแต่เป็นรูปของคำถามคำตอบมีการยักย้ายเปลี่ยนแปลงไปตาม คำถามที่มีคนก็ถามมาก็ต่อไปท่านถามว่าถ้าการที่เราฆ่าเขาเป็นบาปทำไมผลกรรมจึงส่งผลมาให้เราต้องทำบาปอีกโดยการกลับมาฆ่าเขาเพราะเขาเคยฆ่าเรามาก่อนทั้งๆที่เราอาจจะไม่อยากํำบากนั้นเลยก็ได้อันนี้ในแง่ของความเป็นจริงแล้วก็ไม่ใช่แรงบันดาลของกรรม ที่เขาทำต่อเราหรือเราทำต่อเขาหรอกแต่เป็นเรื่องของจิตคนที่ตั้งไว้จิตหรือแทนที่จะอภัยตัดไฟแต่ต้นลมไว้ในตอนตอน้นก็มีการอาฆาตพยาบาทกันมีการจองเวรกันขอล้างผลาญกันไปข้ามภพข้ามชาติกันไปมันก็เกิดการจองเวรกันได้แต่ถ้าหากว่า อีกฝ่ายหนึ่งก็ไม่ได้จองเวรตอบตัวอย่างที่มีความชัดเจนก็คือเรื่องของพระโพธิสัตว์กับระเทวทัตแต่ละพบแต่ละชาตินั้นก็เรียกว่าที่พบทั้งหมดเนี่ยมันมีอยู่ห้าสิบเก้าชาติเทวทัตเบียดเบียนพระโพธิสัตว์แต่พระโพธิสัตว์ก็ไม่เคยเบียดเบียนตอบ แต่ไม่เคยจองเวรเพราะงั้นในภพชาติใดก็าตามพระบุธรศาตร์ไม่เคยเบียดเบียนพเทวทัตแต่เวทวทัตก็ถูกกรรมตอบสนองหรือถูกคนอื่มเบียดเบียนสัตว์อื่นเบียดเบียนคือกระแสของกรรมเองเราไปยกเลิกเขาไม่ได้หรอกถ้ายกเลิกก็คืออย่าทำแต่นั่นเองแต่ทําทไปแล้วมันหยุดหมุนไม่ได้มันเป็นกระแสกรรมก็เรียกกิเลสกรรมวิบากกิเลสกรรมวิบากกิเลสกรรมวิบา ก, ก, รร ม, ม, บากมันหมุนกันไปอย่างเงี้ แต่ไม่ได้หมายความว่านายกอฆ่านายขอแล้วจะต้องสลับกันฆ่าเสมอไปการพูดเะนั้นหมายถึงในกรณีที่บุคคลทั้งสองฝ่ายนั้นปลูกเวรคือจองเวรกันแล้วก็ตามฆ่ากันเหมือนกับยักษกินีกับกุลสตรีคนหนึ่งในสมัยพุทธกาลที่เริ่มต้นมาจากเป็นสตรีร่วมสามีกัน ก็ควายพัญญาหลวงก็ให้ยาให้พัญญาน้อยแทงบุตรเพราะตัวเองไม่มีบุตรกลัวพัญญาน้อยจะมีศักดิ์ศรีมีสถานะเหนือกว่าตนพัญญาน้อยก่อนตายก็ขอจองเวรจองเวรก็จองเวรกันไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยจนมาถึงสมัยพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่รู้ใครเป็นใครแลละมันเยอะเหลือเกินเดี๋ยวคนหนึ่งก็เกิดเป็นยักษีนีคนหนึ่งก็เกิดเป็นกุลธิดา ยากินีก็จ้องมาเอาลูกของนางกุณธิดาไปกินไปเกิดมันก็จับลูกไปกินจนในที่สุดนางกุณธิดาก็ต้องหนีมาว้าพระพุทธเจ้าเอาลูกมาถวายพระพุทธเจ้ายากินีก็ทาอันตรายไม่ได้แล้วพระเจ้าก็เทศสั่งสอนให้เลิกการลูกเวรกันทั้งสองคนก็อยู่ร่วมกันในฐานะเป็นสหายกันได้ ก็ต่อไปถามว่าเราจะสามารถฝืนยะตากรรมนั้นได้หรือไม่ถ้าได้ต้องทําอย่างไรบ้างก็ฝืนได้นะคือไม่ทําเราไม่ทํากรรมชั่วแล้วกรรมชั่วจะมาพ้องผ่านเราไม่ได้พระเจ้าทรงสแสดงไว้โดยสรุปว่าเหตุแห่งทุกข์ได้ก็เป็นสุขในที่ต้องปวดแต่ปัญหาที่มันเกิดขึ้นไม่ได้ก็คือเราสร้างเหตุและเราก็พยายามปฏิเสธผล เวลาตอนเหตุนั้นเราก็ ท, ทําด้วยเต็มที่พบผลก็พยายามไปเสด็จเต็มที่มันก็เกิดขึ้นไม่ได้เพราะว่าสร้างเหตุไปแล้วผลก็ต้องเกิดขึ้นบุคคลสร้างเหตุช่นใดก็รับผลชนิดนั้นนะฮะตอนเมื่อไม่ต้องการผลก็คืออย่าสร้างเหตุก็หยุดมันได้ลีกประการหนึ่งก็คือกรรมนั้นได้ให้ผลไปแล้วไม่จะฝืนจะตา ก, กรรมเรากกรรมให้ผลไปแล้วมันก็หมดแรงกรรมที่จะให้ผล หรือไม่อย่างนั้นเราบรรลุมรคผลเป็นพระหัน์แล้วก็ต้องนิพพานแต่ก่อนนะคือต้องตายแต่ก่อนจึงจะพ้นจากกระแสะของกรรมเหล่านั้นเพราะวิธีที่ดีที่สุดก็คือไม่ทำนะครับอาจารย์ที่ทรงสั่งสอนเอาไว้ว่าสัพพะ ป, ะปะะาปัจจะการไม่ทําบาป ท, ทั้งปวงแล้วอย่างนี้ก็เรียบร้อยในชีวิตก็บำเพ็ญกุศลให้สมบูรณ์การพยายามทําจิตของตในให้แข็งแกร่ง มันก็ลดความรุนแรงของปัญหาลงไปได้ก็ต่อไปถามว่าเราจะรู้ได้อย่างไรว่ากรรมที่เราทําทุกวันนี้เกิดจากความตั้งใจของเราเองหรือเป็นผลของกรรมในชาติก่อนส่งผลกําหนดมาให้เรากระทําในชาตินี้คือถ้าเกิดขึ้นในชาตินี้เนี่ยเราสามารถโยงถึงเจตนาถึงเหตุที่ทําให้เราต้องพูดอย่างนั้นต้องทำอย่างนั้นต้องคิดอย่างนั้นไปได้แต่ว่า ในเรื่องบางอย่างเนี่ยมันปรากฏโดยเราไม่รู้ที่ไปที่มาเลยคือช่มโยงไปหาเหตุไม่ได้ก็แสดงว่าเหตุนั้นต้องอยู่ในอดีตที่พบชาติมันปิดบังเอาไว้เรื่องเหตุในอดีตนั้นก็ไม่มีใครตอบได้หรอกนอกจากพระพุทธเจ้ามันเป็นเรื่องระดับสพัพยุตยานที่จะไปสืบสาวหาต้นเหตุของแต่ละเรื่องขึ้นมาชี้แจงแสดงให้บุคคลเกิดความเข้าใจได้แต่เนื่องจากเราไม่สามารถที่จะ แก้ไขปัญหาในอดีตได้เราก็พยายามทําปัจจุบันของเราให้ดีมันเป็นภูมิธรรมภูมิจิตที่จะคุ้มครองชีวิตของเราให้ดําเนินไปบนเส้นทางแห่งกุศลกรรมเพราะถ้าหากว่ า, ากุศลกรรมในปัจจุบันมีกําลังมากมันก็ป้องกันแรงของอกุศลกรรมที่ติดตามมาไว้ได้มันคงให้ผลนั่นแหละแต่ให้ผลช้าลงแต่อุปมาเหมือนสุนัขไล่เนื้อเรานึกดูสุนัขไล่เนื้อถ้าตัวหนึ่งมัน ไม่มีแรงวิ่งขากระเปรกกระเปรกไปมันก็วิ่งช้าแต่เนื้อมันวิ่งดูเร็วมันก็เอาเอาชนะได้นะฮะระยะหนึ่งเดวอย่าลืมวาสุนาใตรเนื้อนี่มันตามอยู่ตลอดกรรมก็เหมือนกันมันติดตามอยู่ตลอดเราหนีจริงๆในหนีไม่ได้นอกจากาไม่กระทำอย่างที่ว่าไปแล้วข้อต่อไปถามว่า ถ้าเราเก็บเงินที่ตกได้แล้วเราไม่ต้องการจะเก็บเงินนั้นไว้แต่ตามหาเจ้าของไม่พบจึงนาเงินนั้นไปบริจาคหรือทบุญแทนจะเป็นการกระทำที่ถูกต้องหรือไม่ก็จริงก็ไม่ถูกต้องไงนะฮะคือการไปพบเงินทองเหล่านั้นถ้าหากว่าเราไม่ประสงค์จะหาเจ้าของหรือไม่สามารถจะหาเจ้าของได้ก็ต้องแจ้งให้ทางราชการ หรือมอบหมายให้สื่อสารมวลชนเช่จนจอสอร้อยร่วมรวยช่วยกันในหนังสือพิมพ์ทั้งหลายเนี่ยก็ประกาศหาเจ้าของให้เราไปจัดการตัเองมันก็ไม่ได้หรอกเพราะว่ามันไม่ใช่ของของเราจนเราจะเอาไปทำบุญก็เถอะแต่ของนั้นมันมันเป็นของคนอื่นน่ะไม่ใช่ของของเราคือการทำบุญการประจาพานบริจาคด้วยของของเราไม่ใช่เอาของใครก็ไม่รู้มาบริจาค เราจะอ้างเป็นบุญเึ็นคุณมันก็ไม่ได้เออข้อต่อไปถามว่าจากข้อที่ผ่านมาเงินที่นําไปบริจาคนั้นถ้าเป็นการกระทําที่ถูกต้องบอกแล้วว่าไม่ถูกต้องอนะฮะใครจะได้บุญบ้างจากการบริจาคนั้นคือเจ้าของเดิมเนี่ยเขาไม่รู้เราเองไม่ใช่เจ้าของเดิมเพราะจะถือว่าใครเป็นคนได้บุญเนี่ย มันก็พูดยากนอกจา ก, กว่าเจ้าของเขาตัดใจหรือว่าสละเป็นทานไปเขาก็ได้บุญแต่เราก็เอาเป็นกุศละเจตนาจริงๆนะฮะกุศลแเจตนาจริงๆแต่ว่ายังไงก็ไม่ควรทำนะฮะมันไม่ใช่วิสัยไม่ใช่สถานะที่เราจะไปทำเช่นนั้นเพราะว่าเป็นทรัพย์สินเงินทองของบุคคลอื่น ใครจะได้บุญมากกว่ากันแค่ไหนคือบุญเนี่มันมันปัญหาตรงการบรรได้ยากอยู่แล้วนะคับและยากอยู่แล้วก็เจ้าของโนนเขาจะรู้หรือเปล่าเขาจะคิดหรือเปล่าเขายังเสียดายอยู่หรือเปล่าหรือว่าเขาจะปรองใจได้เราก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะฉะนั้นมันต้องรู้ต้องมีความเป็นมาข้อมูลในเรื่องเนี้ต้องชัดเจนประสมควรจึงจะพูดว่าใครได้บุญหรือไม่ได้บุญ แต่เจ้าของเงินที่ไม่ทราบเรื่องราวจะได้บุญด้วยหรือไม่อันนี้ถึงว่าเนี่ยคมันเขาไม่ทราบเขาจะอนุมโมทนาเขาจะอธิษฐานใจอะไรมันก็ทําไม่ได้อะนะเขาก็รู้แต่ว่าเงินคดหายแล้วเขาก็เสียดายอาจจะนอนเป็นทุกข์อยู่ก็ได้อาจจะเปเงินก้อนสําคัญก็ได้แต่เราที่เอาไปทํานั้นเราก็ไม่ใช่ธุระไม่ใช่กนะัน หรือใครก็ตามที่ไปเจอสถานการณ์อย่างนี้วิธีดีที่สุดมันมีอยู่แล้วไปมอบหมายแก่เจ้าหน้าที่ไปมอบหมายสื่อสารมวลชนประกาศหาเจ้าของทีนี้ถ้าประกาศหาไปแล้วถึงจุดหนึ่งไม่ได้เนี่ยเขาก็ดำเนินการไปตามหมอดำควรโดยไม่ไปยึดเก็บไว้เป็นของตัวเอง ถ้าสมมติว่าในภายหลังเกิดพบเจ้าของเงินและเขาต้องการเงินนั้นคืนแต่เรานําไปบริจาคหรือทําบุญไปแล้วเราควรทํำยังไงก็คืนให้เขาก็คืนให้เขาแล้วตอนเนี้ยการบริจาคนั้นจะเป็นของเราเลยทีเนี้ยตีเนี้ยจะได้บุญแหละมันก็อยู่ที่ที่ช่วงจังหวะมันอยู่ตรงไหนตรงเนี้ยเราจะได้บุญแต่เราต้องคืนทรัพย์สินของเขาให้แก่เขาไปแล้วก็ส่วนที่เราเราบริจาคไปแล้วก็กลายเป็นของเรา ตอนนี้เราก็ได้บุญเขาก็ไม่ได้บุญการพยากรณ์ดวงชะตานั้นซึ่งเรียกว่าเป็นการตรวจกรรมของตนเองนั้นควรจะเชื่อไว้ไวบ้างหรือไม่นะฮะที่จริงดวงโชคชะตาราสีเนี่ยมันเป็นวิชาที่เกี่ยวปฏิสตินะฮะมันเกี่ยวกับข้อมูลซึ่งสะสมมาเป็นเวลาหลายพันปีนะฮะก่อนพระพุทธเจ้าจะอุบัติขึ้นมาในโลกเลยซ้ำไป นข้อมูลเหล่านั้นเนะ่ยมันก็มีสถิติมียืนยันพิสูจน์ตรวจสอบได้อยู่อย่างต่อนเนื่องยาวนานมาแต่ไม่ใช่แนวของการตรวจกรรมนะฮะตรวจกรรมในเราต้องตรวจเพรเราเองไอ้คนอื่นมาสวจเราได้ไงเราเป็นเจตนาเราเป็นผูรร้ทําเราเป็นผู้รับผลของการกระทําแต่ว่าถ้าทํานายโชคชะตาราศีนั่นก็อยู่ในเกณฑ์ฟังไว้ก็ไม่เสียหายอะไรนะ อ, อย่าไปถึงถ้าเล่าพิวาสกันในเรื่องที่ไม่มีใครรู้จริงหมายความหมอดูเองเขาก็ไม่รู้จริงหรอกแต่ว่าตำํตำนาตานาเขาว่าไว้อย่างนั้นแหละเราเองยังไม่รู้จริงใหญ่เพราะเราไม่เคยเรียนมาเพราะงั้นเขาฟังเขาไว้ไม่ต้องขัดคอขัดคอเขาเขาก็โกรธพิรอดเรานักเรียนเก่าก็ไม่หารรานนักเรลงก็คืออย่าไปขัดคอกันดีกว่า ก็ต่อไปท่านถามว่าอุปสรรคอย่างหนึ่งในขณะบำเพ็ญจิตภาวนาคือเน็บชาและอาการเจ็บที่ขาขอให้ท่านอาจารย์ช่วยแนะนำวิธีปฏิบัติให้พ้นจากอุปสรรคดังกล่าวด้วยคือที่จริงเนี่ยการเจริญกรรมาฐานเนี่ยเขาไม่กำหนดทีิศยาบทหรอกยืนก็ได้เดินก็ได้นั่งก็ได้หรือแม้แต่บางทีนอนก็ยังได้เลยเพราะเราก็ปรับเปลี่ยนอิยาบดเอาอิยาบด ท, ที่เราถ น, านดัดต่าง เอาเดินตรงกลมก็ได้เอายืนก็ได้ได้เอานั่งบนเก้าอี้ก็ได้คืนการนั่งคูบันหลังตั้งกายทรงดํารงสติไว้เฉพาะหน้านี่มันเป็นรูปแบบและนั้นเองแต่ว่าความเป็นกรรมฐานมาอยู่ที่จิตสงบจากนิวรณ์เพราะงั้นเราทํำยังไงก็ตามไม่จิตสงบระงับจากนิวรณ์ทั้งห้าประการเราไปได้การปฏิบนั้นก็จะว่าเป็นสมถะทีนี้ถ้าเราจะปรับเปลี่ยนอยียาบทยืนซะบ้างเดินซะบ้าง น, นั่งซะบ้าง แล้วก็เหนื่อยมากไปก็นอนพักผ่อนเสียบ้างก็สลับอีเดียบทกันไปเรื่อยมันก็หายเองนะนะที่เน็บนะ่ะคือเรานั่งนานเกินไปแต่ว่าบางครั้งบางคราวเนี่ยคือต้องการจะฝึกขันติฝึกอาธิษฐานฝึกวิริยะแต่ก็นั่งไงมันหายเน็บเลยอยากเน็บดีนะักก็นั่งไงจนหายเน็บไปมันก็สามารถที่จะทําได้เช่นเดียวกันปัญหาว่าจิตใจเราต้องเข้มแข็ง การฝึกจิตการเอาชนะกิเลสชนะอารมณ์นี่ถ้าอ่อนแอนั่นนิดนีด่หน่นอยแล้วก็หวาดกลัววิตกกังวลมันก็ทำอะไรไม่ได้หรอกผลทั้งหลายที่เกิดขึ้นในชีวิตของคนนั้นเป็นผลมาจากความเพียรพยายามอย่างสหสะอาดกันด้วยกันคำ่าเขตสังฆาวาฏควรจะเป็นเขตที่สงบเหตุใดในที่บางแห่งจึงมีเสียงดังอันเกิดจากพระบางรูปหรือจากผู้ที่เกี่ยวข้องกับวัดครับ ไอ้นี่มันเป็นเรื่องของปัจเจกชนนะฮะแต่ว่าวัดยังไงยังไงก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่สงบอยู่แต่ว่าเราจะให้สงบแบบโบราณเนี่ยมันยากนะเพราะว่าคนอยู่รอบวัดมันลุกวัดเข้ามาเยอะแล้วคนบางทีเนี่ยเขาก็กมาพักผ่อนกันในวัดมันไม่มีที่พักผ่อนเพราะว่าวัดก็กลายเป็นที่พักผ่อนของคน หรือมาพบปะกันมาสนทนากันอะไรแต่ะไรมันก็เจอกันบ้างเราจะไปรับรู้เรื่องเหล่านี้หมดมันก็ไม่ได้เราต้องปล่อยเขาไปตามตามสภาพคือเรามีหน้าที่ทำจิตเราให้สงบคนอื่นสงบหรือไม่สงบเป็นเรื่องที่เขาต้องรับผิดชอบโดยตัวเองแต่ความสงบของเราเป็นเรื่องที่เราจะต้องรับผิดชอบคือวัดในอุดมกติวัดในฝันเนี่ยก็ เ, เรียกว่าอารามแปลว่าทำใจมันรื่นรม ถ้าเราดูจากนิราชนระินทร์สองบทบทที่สองกับบทที่สามเนะี่ยเราเห็นว่าเป็นการสะท้อนภาพลักษณ์ของวัดในสมัยโบราณและยังนึกๆึกว่าน่าจะเป็นวัดโพนะวัดพระเชตุพล์คือสะท้อนภาพของวัดประเชตุพลมาในสมัยก่อนท่าบอกว่าเรืองเรืองไตรรัตนพ์นพันแสงรินรถพระธรรมแสดงคำเช้า เจดีระดะแสงเสียดยอดยนต์ยิ่งแสงแก้วก้าแกนล่าหลากสวรรค์โบตระเบียงโมดลดพื้นภัยหารธรรมาสาลาลานพระแพ้วขอใจระคังขานภายค้ำไขประทีบโครงแก้วกัมพาวเฟือนจันท์น่าจะเป็นอย่างนั้นะนะลักษณะมันก็น่าจะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าคนมันน้อยสมัยโบราณนี่ยมันได้นะยันนี้เราอยู่ต่างจังหวัดมันก็ไม่เคยมีคนเข้าไปภายในวัดเหมือนกันะ นอกจากว่าเป็นเทศกาลเป็นงานที่เข้าไปบาเพ็ญจิตภาวนากันแต่ว่าทางคนดังก็ควบคุมตัวเองให้ให้สงบอยู่ได้เพราะเมื่อเราเข้ามาเนี่ยวัตถุประสงค์เราต้องการอะไรก็คือพยายามหาประโยชน์จากสรงนั้นให้ได้ไม่ต้องไปวุ่นวายวัวแหว่กับเรื่องของคนอื่นเพราะมันไม่เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมานะฮะ ในเมื่อธรรมะอยู่ที่ตัวเราทําไมพระบางรูปจึงออกเสด็จแสวงหาธรรมด้วยการจาริกไปยังสถานที่ต่างๆด้วยครับอันนี้มันเป็นการหาสถานที่วิเวกนะฮะคือสงัดเงียบจากเสียงรบ ก, กวนเป็นจริยาของพระในพระพุทธศาสนาตั้งแต่สมัยโบราณมานะครับไปเที่ยวจาริกสแสวงหาความสงบตามถ้ำตามป่าตามโคนไม้ตามภูเขา อัางไกลจากประชาชนไม่มีอารมณ์ที่เป็นค่าสึกมากเกินไปซึ่งท่านที่ทําได้ก็เป็นการดีของท่านนะฮะส่วนมากแล้วพระอาจารย์ดังๆที่มีชื่อเสียงอยู่ในปัจจุบันเนี่ยมันก็เคยอยู่ป่ามาด้วยกันทั้งนั้นนะเช่นหลวงตาหมาบัวก็ดีหรืออาจารย์คูนก็ดีหรือหลวงปู่มั่นหลวงปู่อะไรทั้งหมดเนี่ยนะฮะก็เคยอยู่ป่ามาด้วยกันทั้งนั้นได้หลักการหนึ่ง ที่ท่านใช้ในการดำเนินชีวิตข้อต่อไปถามวิชาอะไรได้เกี่ยวกับฟิสิกส์ือทยซ้ไปในทางฟิสิกส์เซนเตอร์ออฟเรศูนย์กลางของความโน้มถ่วงหรือเซนเตอร์ออฟแมศูนย์กลางมวลเป็นเหมือนตัวแทนของวัตถุแล้วจุดศูนย์กลางกายของแบลระบุคลมีความสำคัญอย่างไรครับ คำว่าศูนย์กลางกายเนี่ยมันเป็นภาษาที่มีใช้กันอยู่ในวิชาพระธรรมกายของวัดปากน้ํากับวัดนี่สองสามวัดนั่นเองนะฮะสำนักขององค์พ่อสดตัวนั้นจึงไม่มีปรากฏในพระพุทธศาสนาถ้าถือว่าศูนย์กลางของชีวิตจริงๆก็คือจิตนะฮะที่ก็เป็นศูนย์กลางมันก็มีความสําคัญทุกอย่างเลยจิตเป็นใหญ่เป็นประธานเป็นหัวหน้าทุกอย่างสเม็จมาจากใจ นา้าหากว่าใจคิดไม่ดีการพูดก็ไม่ดีการทำก็ไม่ดีตามไปถ้าใจพูดดีคิดดีทำดีก็ความดีก็จะติดตามมามกิริยากับปฏิกิริยานั้นก็สดคร้องกับกฎแห่งกรรมและทฤษฎีที่ว่า E ท่ากับ M C ยกกำลังสอง e หมายถึงพลังงาน m หมายถึงมวลและ c หมายถึงความเร็วแสงจะสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงสถานภาพการเป็นความตายและจากตายเป็นเกิดได้หรือไม่หรือเปลี่ยนจากมวลสารไปเป็นพลังงานและจากกลับกันคือจากพลังงานไปเป็นมวลสารในนี้มันก็อยู่ในเขาเรียกว่ารูปนามนะเขาเรียกว่าเขาเรียกว่ารูปนามมันก็เปลี่ยนกันเปลี่ยนกันไปคือ อาศัยมาประกอบร่วมกันมันก็กลายเป็นชีวิตขึ้นมาพอแยกออกปันออกจากกันในส่วนที่เป็นรูปมันก็สลายไปตามธรรมดาของมันส่วนที่เป็นน้ำก็เกาะกลุมกันไปไปหารูปขึ้นมาใหม่ก็สร้างเป็นรูปขึ้นมาใหม่ก็วนๆกันอยู่อย่างเนี้ยเป็นรูปของสังสารวัฏทั้งหลายเนี่ยตามโครงสร้างในปฏิจจสมบัติท่านทรงแสดงว่าอบิชาเป็นปัจจัยเกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยเกิดปัญญาปัญญาเป็นปัจจัยเกิดนามรูป โดยทัว่านามารูปรูปเนี่ยวันเริ่มมีตอนที่เป็นนามารูปอะตอนนั้นมันเป็นพลังงานทั้งนั้นพลังงานของพลังของกิเลสพลังของกรรมพลังของวิญญาณนะมารวมกันก็ไปถือไปสนที่ในกําเนิดต่างๆ่างแพอถึงตายมันก็แยกออกไปตัวส า, สารก็ทิ้งไว้ในโลกนี้แยกย่อยออกไป น, น้ำขึ้นสู่น้ำดินขึ้นสู่ดินลมขึ้นสู่ลมอากาศขึ้นสู่อากาศนะส่วนวิชาสังขาร ก็สร้างวิญญาณขึ้นมาก็ไปถือไปสนที่ใหม่ไปหาตัวพลังไอตัวตัวสาสารใหม่ตัวรูปขึ้นมาใหมนะ่ชื่อมันต่างกันแต่ว่าวิชาเนี่ยวิชาฟิสิกส์กับวิชาที่เกี่ยวกับกฎธรรมชาติเนี่ยมันเป็นกฎของธรรมชาติด้วยกันพลังงานสำคัญที่สุดในชีวิตคือพลังจิตใช่หรือไม่ใช่นะครับจิตเป็นใหญ่จิตเป็นประธานจิตเป็นหัวหน้าทุกอย่างในสาเร็จมาแต่จิตทั้งนั้นเลย พระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าบุคคลใดสามารถท่ามจิตซึ่งเที่ยวไปในที่ไกลเที่ยวไปดวงเดียวไม่มีสริระมีท่ามคือร่างกายนี้เป็นที่อยู่อาศัยได้ผู้นั้นจะพ้นจากบ่วงแห่งมารเพราะจิตจึงเป็นตัวการสําคัญอริยศาสตร์จริงๆก็เกิดที่จิตนะทุกข์ก็เกิดที่จิตสมุทัยก็เกิดที่จิตนิโรธ ก, ก็เกิดที่จิตมรรคก็เกิดที่จิตเพียงแต่ว่า ทุกกะสมุทัยเนี่ยก็เกิดร่วมกันนิโรธกับมรุษเนี่ยเกิดร่วมกันเพราะงั้นเมื่อนิโรธปรากฏเต็มที่แสดงว่ามรุษสมบูรณ์สมุทัยกับทุกก็ดับไปก็เป็นจิตใจของพระอรหันต์ทั้งหลายเมื่อพระบางรูปปฏิบัติจนธาบริสุทธิ์แล้วตอนที่ยังเป็นกายเนื้ออยู่อุจาราปสาวะจะบริสุทธตามหรือไม่ไม่หรอฮะคือ เรื่องจิตอย่างเดียวในร่างกายเราเนี่ยถ้าเราลองดูให้ดีแล้วเนี่ยตานี่ทําให้เป็นทิฟต์ได้เรียกวตาทิฟหูนี่ทําให้เป็นทิฟต์ได้เรี๋ยวหูทิฟแต่มันเกิดมาจากใจที่เป็นทิฟ ป, ปะยะภาวะหรือใจที่หมดกิเลสนะใจที่อย่างน้อยก็ดับกิเลสได้สักจำนวนหนึ่งเออส่วน ดินน้ำลงไฟทั้งหลายเนี่ยนะฮะที่มาประกอบการเป็นอุจาราปัสาวะมันก็มีกลิ่นเป็นปกติธรรมดาแต่ในนิกายสรวาสติวัชินเนี่ยเขาถือว่ากลิ่นอุจากลิ่นอุจาระของพระพุทธเจ้าเนี่หอมนะฮะพวกม้าสังิกะเนี่ยม้าสังิกะก็บอกว่าหอมก็เป็นการพูดเกินเหตุไปนะฮะเพราะว่าร่างกายของพระเจ้าก็ต้องหล่เลี้ยงด้วยอาหารธรรมดาที่ชาวบ้านก็รับประทานเข้าไป แต่ว่าเนื่องจากไม่กินจุกกินจิตไม่กินอุ่นวายไม่กินมากอย่างชาวบ้านก็กินบางนั้นไอ้กลิ่นต่างๆมันก็ลดน้อยลงไปเป็นธรรมดาแต่ว่าอย่าลืมว่าเป็นโลกุตระเฉพาะจิตกายมันก็เป็นโลกิยะว่าเป็นธาตุทั้งหลายเช่นเดียวกับกระดูกของคนทั่วไปเนี่ยนะฮะแต่ว่าเนื่องจากเป็นธาตุมันก็มีลักษณะต่างๆกันอย่างที่เรารู้ มนุษย์เกิดมาทำไมเกี่ยวข้องกับวิญญาณธาตุยังไงวิญญาณธาตุนั้นคือธาตุรู้ที่ไปอยู่ภายในจิตของมนุษย์แล้วก็มนุษย์มันก็ต้องมีวิญญาณธาตุโดยธรรมดานะไม่มีวิญญาณธาตุก็ก็มีชีวิตอยู่ไม่ได้นะหมายความว่าตอนที่ปฏิสนธิเนี่ยก็เรียกว่าปฏิสนธิวิญญาณ แล้วพอกลายเป็นชีวิตขึ้นมาตัวบินดาเหล่าเนี้ยมันก็กลายเป็นธาตุรู้ที่มีอยู่ภายในใจของมนุษย์อยู่อย่างงั้นแหละก็เปลี่ยนแปลงอาไปตามเหตุตามปัจจัยทั้งหลายเวลาตายไปก็วิญญาณธาตุก็ออกจากด่างเหมือนกันก็ไปเกิดแล้วก็ก็เรียกชื่อต่างกันอะไรกันเรียกชื่อต่างกันหมายความในขณะที่เป็นธาต อยู่ภายในก็เรียกวิญญาณธาตุในขณะที่รับอารมณ์ก็เรียกว่าวิถีวิญญาณหรือวิญญาณขันในขณะที่ไปเกิดอยู่ในที่ใดที่หนึ่งก็เรียกวิญญาณติิในขณะที่ไปถือไปสนทิเขาก็เรียกว่าปฏิสนธิวิญญาณเรียกยักย้ายเปลี่ยนแปลงแตกต่างกันแต่ก็หมายถึงจิตนั่นเองทั้งฟังทั้งหลายใต้ร่มมาโพธิญาในวันนี้ขอุติไว้โดยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญ ง, งอก ง, งามไปบูรในธรรม